อะไเจอแต่กระดูกเลือดเนื้อเอ็นเส้นเอนเสนประสาทแต่ไม่เคยผ่าไปเจอใจแท้หรือจิตเดืองแท้เลยเพราะว่าไอ้ใจแท้หรือจิตเดืองแท้ท่านบอกว่ามันเหมือนไอ้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่ะแล้วจะไปเจออะไรอเออแต่ไอ้สิ่งที่อาการต่างๆและร่างกายเนี่ยประตูเนี่ยตั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหมือนกับพวกไอ้เนื้อไม่ไผ่ผิวไม่ไผ่คะแนงไม่ไผ่ที่อยู่รอบๆมันแต่ไอ้ตรงกลางแทๆ้ๆมันเนี่ย คือใจแท้หรือจิตเดิมแท้มันคือตรงการกระบอกไม้ผ่นั่นแหละคือว่างเปล่าการกระบอกไม้ไผ่กับความว่างของธรรมชาติเป็นยังไงเนี่ยมันคืออันเดียวกันตรงกลางใจอ่ะกลางใจหรือการกระบอกไม้ไผ่กับความว่างของธรรมชาติอ่ะกับตรงกลางกระบอกไม้ไผ่มันเหมือนกันไหมเออมันเหมือนกันมันเป็นความว่างแบบเดียวกันอันนี้เหมือนกันเลยใจของคนเราเนี่ยกลางใจของคนเราเนี่ย มันเป็นความว่างอั oons, ال นเดียวกับความว่างธรรมชาติไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นความว่างอันเดียวกันแต่อาการของใจกับร่างกายเนี่ยมันเอาปิดบังไว้เหมือนกับว่าตรงกลางกระบอกใบไผยเนี่ยมันมองไม่เห็นมันต้องผ่าออกถึงจะมองเห็นว่ามันมีแต่ความว่างและเป็นความว่างอันเดียวกับความว่างธรรมชาติต่ใจเนี่ยมันเป็นความว่างแต่มันถูกปิดบังไปด้วย อาการของใจก็เปรียบเหมือนกับเป็นเนื้อไม่ไผ่และผิวไม่ไผ่แล้วก็มันจะปิดบังด้วยร่างกายอีกมันก็เหมือนเป็นโครงสร้างเอาบอกไม่ไผ่ทั้งหมดมันปิดบังด้วยร่างกายอีกแต่จริงๆแล้วข้างในอะ่ะมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติใจเราเนี่ยมันมีแค่นั้นแน่เน่นะทุกอย่างทุกอาการเนี่ยไม่ใช่ใจถ้าเราเข้าถึงใจจริงๆที่ไม่ปรุงแต่งอะ่ะมันหมดปัญหาไปทุกเรื่องเลยไม่ต้องมานั่งสอนวิธีปฏิบัติกันอย่างเงี้ ย, ยุ่งยากคือ เราแต้แต้ปรุงแต่งไม่ได้สิ่งใดที่ปรุงแต่งได้ถ้าเราปล่อยวางมันหมดอ่ะมันจะกลายเป็นใจไปโดยอัตโนมัติก็เพราะอะไรเพราะว่าใจมันเป็นตเหมือนตรงกลางกระบอกไม่ไผ่อ่ะมันปรุงแต่งไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ไหวตัวไม่ได้คิดนึกตองปรุงแต่งไม่ได้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะตรงกลางกระบอกไม่ไผ่อะใจเหมือนตรงกลางกระบอกไม่ไผ่อะมันคิดก็ไม่ได้นึกก็ไม่ได้ตึกตองก็ไม่ได้แสดงเคริยรอาการก็ไม่ได้ มันจะพยายามช่วยตัวเองก็ไม่ได้มันจะเกลียดทุกรักสุขดีรักช่วชัางก็ไม่ได้มันจะเอาจิตดีก็ไม่ได้มันจะเอาจิตรังเกียดจิตไม่ดีก็ไม่ได้จิตดีมันก็จะเอาไม่ได้ตัวเนี้ยพอมันเราไปเป็นใจอ่ะเป็นแกนกลางบอกไม่ไผ่ที่ว่าเราแท้แท้เนี่ยคือจิตเดิมแท้แทหรือวิญ ญ, ญาณแท้แ ท, ที่มาเกิดเนะี่ยมันก็เหมือนเหมือนไงตรงกลางก็บอกไม่ผ่านเะนี่ยมันแสดงกิริยาการใด ไ, ไม่ได้ก็เพื่อไม่ได้หวตัวไม่ได้ แต่อย่างนั้นอะไรก็ตามที่มันกระเพิ่มได้ไหวตัวได้คิดนั่คือต้องปรุงแต่งได้พยายามพยายามหรือว่าแทรกแซงอะไรได้หรือพยายามจะปรุงแต่งเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราอะไรไว้ก็ได้มันก็ไม่ใช่เราทั้งหมดนะเนี่ยมันเป็นไอ้พวกเปรียบเหมือนกับเป็นเนื้อไม่ไผ่เยื่อไม่ไผ่เป็นแขนงไม่ไผ่ไม่ได้เป็นตรงกลางเขาบอกไม่ไผ่ต้องปล่อยวางให้หมดตลอดเวลาถ้าอย่างเนี้วิธีปฏิบัติก็ง่ายมากเลยคือเมื่อใจปล่อยวางหมดมันก็กลายเป็นใจไปเพราะไอ้ใจมันไมุ่๊กมันปรุงแต่งไม่ได้เมื่อปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งหมดตลอดเวลา มันก็กลายเป็นใจที่ไม่พงแต่งผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงวินิพานธ์มันก็ไม่ต้องพูดกันมากอย่างเงี้ยมันพูดตรงนี้ไม่รู้เรื่องเลยต้องสอนกรรมวิธียกย้อนไปสอนเยอะแย ะ, ยะมากมายเพื่อให้มันเข้าถึงตรงริ ล, ลอนพวกหนามไม่ไผ่ขแขนงไม่ไผ่เอามีดฟันเข้าแขนงไม่ไผ่น้ําไม่ไผ่กิ่งไม่ไผ่ฟันเอาไปแล้วถากเปลือกไม่ไผ่ออกถากเนื้อไม่ไผ่ออก จนกว่าจะเข้าไปถึงแกนกลางก็บอกไม่ไผ่คือฤทธิ์รอนสอนมาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมาให้มารู้สึกตัวอะไรต้องสอนกรรมวิธีการคือฤทธิ์รอนเอาเข้าไปถึงแกนกลางคือใจที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อยังเราพูดตรงนั้นน่ะเรื่องทั้งใจที่ไม่พุงแต่งมันไม่เข้าใจอ่ะไม่มีปัญญาพูดบนตั้งนานไม่มีปัญญาเราก็ต้องเนี่ยฤทธิ์รอนจากนอกเข้าไปเหมือนเมื่อเราพูดว่าต้นกล้วยเนี่ยมันไม่มีแกนแต่เราไม่เข้าใจทันทีก็ต้องสอนวิธีลอกกาบกล้วย ลอกมันไปทีละกาบไอ้ที่สอนเนี่ยที่ให้มาบริกรรมมาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือว่าสอนลอกกับกล้วยไปทีละกาบละกาบละกาบโดยเข้าใจว่าต้นกล้วยเนี่ยมันมีแก่นเหมือนกับแก่นไม้มะข่าโมงแก่นไม้แดงแก่นไม้เต็งเพื่อจะเอามาทําบ้านเอาแก่นมันมาทําบ้านแต่ขั้นลอกไปทีละกับละกับละกับไอ้ที่สอนเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธประใจสงบแล้วก็ค่อยลอกไปทีละกาบละกาบเสร็จแล้วเนี่ยลอกไปจนหมด หนังผมควรเล็งพอใจสงบแล้วผู้โตพู้โตใจสงบแล้วก็รอบผมควรเล็งฟันหนังเนื้อเองกระดูกตับไตใ ส, ใสนอสใหญ่มามตับปอดหัวใจโยนทิ้งให้หมดเหลือกโครงกระดูกเอาโครงกระดูกไปสับสั บ, สบสับเอาเผาไฟแบบโยนทิ้งเหลแต่ความบ้างเปล่าทําอย่างเงี้ยบ่อยๆอา้อาวเฮ้ยแกนกลางข้างในตัวเรามีแต่ความบ้างเว้ยอาตัวเราไม่มีทํำบ่อยๆมันก็เลยรู้ว่าอา้าว่าเข้าไปึูก็บอกไม่ผ่าแกนกลางก็บอกไ่ผ่านมันคือความบ้างเปล่า อะไรที่สอนมาเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคือสอนจากข้างในออกมาข้างนอกข้างนอกออกมาข้างในข้างในก็เข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งและอะไรปรุงแต่งโยนทิ้งหมดถ้าใครมีปัญญาแบบเนี้ยมันก็เหมือนของเขาเลยมาคืนที่เข้ามากันก็ เ, นเข้าใจตรงนี้เลยว่าใจแท้ๆมันก็คือแกนกลางก็บอกไม่ภผ่แหะอะไรที่มันเป็นแขนงทิ้งหมดที่มันเป็นกิริยาการเน่ะปล่อยวางหมดมันก็เป็นใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระดิพานเขาพูดตรงนี้เขาก็ใจตรงนี้ไปเลยเมื่อไม่เข้าใจตรงนี้ก็อ้อมตีอ้อมเขานอกมา ทำลายจากข้างนอกมาที่เรายึดถืออะไรทำลายมาพอใจมันสงบแล้วผู้โทผู้โทพุ้โทผู้โทให้ใจมันสงบพอสงบแล้วก็ลอกเข้าผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอกระดูกตับไตไตน้อย ใ, ใหญ่มาต่อปอดหวัวใจร่างกายเราลอกเอาฟันเอาแขนงไม่ไผ่เปลือกไม่ไผ่เนื้อไม่ไผ่ลอกออกให้หมดเพื่อจะเข้าถึงแกนกลางกขากบอกไปไผ่ได้ก็มาเลยต้องผ่านขั้นตอนมาสู่ใจพุ้โทผู้โทไม่ได้ความส ง, สงบพอสงบเสร็จแล้วเอาไปมาลอก ลอกออกอ้าวพอลอกหนังออกหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกสับไตเส้นนอสัอย亚马ปตับปอดหัวใจลอกทิ้งไปเหลือแต่โครกระดูกเอาโครกระดูกไปสับๆเผาไฟทิ้งเป็นกี้เท่าธุลีไปหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าอ้าวเฮ้ยตัวเราหายไปไหนวะเอตัวเราไม่มีเลยว่าในตัวเราเนี่ยเอ๊ะตัวเราไม่มีไว้ในตัวเรามันไม่มีอ้าวไม่มีก็ลอกไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ใจมันก็เชื่อ อ, อีกว่า อ๋อตัวเราในตัวเรานี่มันไม่มีเนี่ยว่ะเนี่ยตัวเราในตัวเราไม่มีบางท่านก็บรรลุอราหันต์ไปเลยทีเดียวจบเลยคือมันรู้ออกมาจากใจจากข้างในโดยความมันปล่อยวางทุกสังขารทุกขณะปัจจุบันไม่ยึดอะไรเลยมันก็เลยกลายไปใจไป ห, หรือว่าลอกตั้งแต่หยาบคือลอกร่างกายที่หยาบที่สุดแล้วเข้าไปถึงอา้าวพอพอลอกกายไปบางท่านลอกกายไปเสร็จแล้ว พ อ, อปล่อยวางกายไปแล้วกเหลือแต่ความว่างเลยเห็นจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างอ้าวจิตก็ไม่มีตัวตนไว้เกิดดับเกิดดับจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเลยลอดทางกายลอดทางจิตทิ้งไปเลยที่สุดเหลือแต่ความว่างเปล่าก็รู้วิพญานไปคือแทงทะลุจากข้างในออกมาข้างนอกหรือว่า ร, ริดลอนจากข้างนอกผ่าก็ไปข้างในแล้วแต่สติปัญญาของแต่แตละคนคือ บางคนพูดปุ๊บมันพูดเข้าใจเลยว่าตรงกลางของกระบอกไม่ไผ่เป็นอะไรเออตรงกลางกระบอกไม่ไผ่มันว่างเปล่าเออนั่นแหละเราทแท้ใจของเราทแท้ใคือกลางกระบอกไม่ไผ่นะี่แต่ไอ้ร่างกายก็เปรียบเหมือนเนี่ยไ อ, อตัวลำไม่ไผ่ไอส่วนอาการนิ้จิตก็เหมือนแขนแขนงของไม่ไผ่กิีงกลางไม่ไผ่ที่มีหนามมีอะไรก็ต้องริดลอนมันไปแล้วในจุดริดลอนเข้าไปได้เสร็จแล้วมันก็นั่นแหละก็จะพบตรงกลางกระบอกไม่ไผ่คือว่างเปล่าแต่บางพวกมันเข้าใจไปเลยว่าเออตรงกลางกระบอกไม่ไผ่ไว้ เราต้องการเอออ๋อดังั้นใจมันเป็นใจมันมันคือตรงกลางก็บอกไม่ไผ่นั่นแหละมันมันมีแต่ความรู้มันมีแต่ความรู้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อมันมีแต่ความรู้แต่ความว่างธรรมชาติอะมันไม่มีความรู้ตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อะมันเป็นความว่างอันเดียวกันแต่เป็นความว่างไม่มีความรู้แต่ใจเราเป็นความว่างเปล่าเหมือนเหมือนตรงกลางก็บอกไม่ไผ่อะแต่มันมีความรู้เราก็อยู่กับรู้วะหลังนี่อย่างไรอยู่กับรู้ได้ใจที่ว่างเปล่าอยู่กับรู้ได้ใจที่ว่างเปล่า อันนั้นแน่ถ้าก็อยู่กับรู้ที่เป็นการกลางเขาบอกไม่ไผ่แต่ไม่ได้อยู่กับใจว่างแต่อยู่กับรู้เพราะมันคือธาตรู้ท่านเลยอยู่กับรู้ในใจที่ว่างเปล่าคือไม่ไปยึดถืออาการของใจอยู่กับรู้อาการของใจแล้วไม่ไปยึดถืออาการของใจอยู่กับรู้อาการของใจแล้วไม่ไปยึดถืออาการของใจเมื่อท่านไม่ไปยึดถือแม้แต่อาการของใจท่านก็ไม่ยึดถือสิ่งใดภายนอกรูมลดกลิ่นเสียงสัมผัสทำอารมณ์ที่มาสัมผัสทุกขณะปัจจุบันท่านก็ไม่เข้าไปยึดถือท่านก็อยู่กับรู้แล้วไม่เข้าไป ไปยึดถือรูปรถกินเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันท่านก็เลยอยู่กับรู้กับใจที่เป็นกลางใจที่รับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางก็เป็นบรุวณิพานไปรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางรับรู้รูปรถกินเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันได้ใจเป็นกลางรับรู้ความคิดรู้รับรู้อาการของจิตไม่ว่าจะรวดเร็วเล็กละเอียดปานใดเหมือนกับปรมัมปนาของจิตแต่ท่านก็รับรู้มันทุกอย่างด้วยใจเป็นกลางไม่หลงติดไปกับมันเลยเพราะอันคือใจที่เคลื่อนไหวไม่ได้ รู้ไม่คิดรู้ไม่อาจคิดได้คิดไม่ใช่รู้รู้ไม่อาจคิดได้คิดไม่ใช่รู้ท่านเข้าถึงรู้ที่ไม่อาจคิดได้ได้แต่รู้คิดแต่รู้ไม่คิดใครเข้าใจตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าพูดตรงนี้เข้าใจตรงนี้ก็เข้าตรงนี้ไปเลยอ่่ะเนียพอไม่เข้าตรงนี้บาทีจะกัดสอนอ้อมมามันเข้าได้สองทางเข้าตรงเข้าตรงไหนก็เข้าสักอย่างหนึ่ง เหมือนกันที่สุดก็ไปจบลงใจที่ว่างเปล่าหลือแต่รู้เหลือแต่รู้เป็นอิสระจากทุกสิ่งเรียกว่าสันติคือขาดขาดจากสันตติคือสันตติใจไม่ไปเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวไม่ไปเกาะเกี่ยวผัวพันกับรูปรละเกลียนเสียงสัมผสัสอาการ ใ, ใจใดๆเหลือแต่แค่รู้อย่างเป็นสันติคือขาดจากทุกสิ่งเหลือแต่แค่รู้แต่ขาดจากรูปรลกลียนเสียงสัมผสัส สติรำอรม์ขาดจากความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ได้แต่รู้ทุกอย่างรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ใจนั้นขาดจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือสิ่งเหล่านั้นขาดจากใจทั้งหมดเรียกว่าเป็นสันติต่อกันไม่เป็นสันติถ้าเป็นสันติมันคือรู้อะไรมันก็เป็นเนเป็นหนึ่งรู้อะไรก็เป็นช็อตของอากาศรู้อะไรก็เป็นมีมีฟิล ต่อให้มันไปช็อตก็หากันรู้อะไรก็เอาฟิวไปต่อให้เป็นช็อตก็หากันให้กระแสไฟมันเดินก็หากันรู้อะไรก็เอาฟิวไปต่อแล้วก็ให้กระแสไฟมันเดินก็หากันพอเป็นสันติอ่ะเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งปุ๊บมันเหมือนฟิวขาดเลยทุกทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจมันได้แต่รับรู้แต่ฟิวมันขาดแล้วมันต่อกันไม่ติดมันต่อกันไม่ติดกับสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเพราะอะไรความปรุงแต่งมันเชื่อมโยงไม่ได้ ไอ้ที่มันไปต่อได้มันเอาความคิดปรุงแต่งไปเชื่อมโยงตอนนี้มันเป็นใจที่ไม่คิดปรุงแต่งมันเลยเอาไปต่อไปได้ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นฟิวเป็นฟิวที่มาต่อทําให้กระแส Chicken. ไฟฟ้าช็อตถึงใจได้ไอ้ตัวความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นฟิวที่มาต่อทําให้กระแสไฟฟ้ารูปช็อตเข้ามาถึงใจได้เสียงกินรสสัมผัสธรรมอรมมันช็อตมาถึงใจได้ก็เพราะความคิดปรุงแต่งเนี่ยถ้าเป็นใจที่ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้ ิมันก็ขาดขาดจากรูปเสียงอินรสสัมผัสและธรอารมณ์เพราะกลายเป็นเป็นใจที่ไม่อาจคิดปรุงแต่งได้เหลือแต่รู้รู้จึงไม่อาจคิดได้ที่คิดได้ไม่เชรู้เพราะที่คิดปรุงแต่งได้เป็นสังขารทั้งหมดแต่ใจเป็นวิสังขารคนลอันกันที่คิดปรุงแต่งได้เป็นสังขารเรียกว่าปรุงแต่งสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเกิดดับหมดไม่เที่ยง เป็นนริจังทุกครั้งอนัตตาแต่ใจไม่พุงแต่งเป็นวิสังขารนมันถ้าไม่เข้าใจระบบเนี่ยมันก็งงๆ เ, เอ๊เดี๋ยวเป็นอย่างงงเดี๋ยวตอนอย่างงเดี๋ยวตอนอย่างนี้ตอนอยงนั้นเราจะเอาอยัางไงตัวเราก็มั่วมากเลยทาอะไรไม่ไปอย่างไร ท, ทันทีอ่ะไม่รู้ปฏิบัติอะไรไปอยังไงอ่ะจะทําอย่างที่เราทําอย่างเดียวตอนเนี้ย เราทำยังไงก็ทื่อๆไปอย่างที่เราเคยทำมันไม่เข้าใจทั้งระบบทั้งทีเหมือนกับว่าเขาให้จิ๊กซอว์มากล่องนึงอะไอตัวต่อเขาให้มากล่องนึงอะแต่เราไม่เคยขี่ขายมันดูออกเลยว่าไอจิ๊กซอว์ตัวเนี้ยมันต่อแล้วเป็นรูปร่างอะไรเขาพยายามจะบอกเราว่าจิ๊กซอว์เนี้ยแต่ละตัวเนี่ยมาต่อกันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างอะไร น, นี่นะเช่นเอามาต่อกันแล้วเป็นรูปร่างแผนที่ประเทศไทยเราก็ไม่สนใจจะ ได้กล่องจิ๊กซอมากับจิ๊กซอมากล่องได้กล่องมาอย่เนี้ยแล้เราไปสนใจว่ากล่องจิ๊กซอเนี่ยต่อจะเป็นอะไรเราก็ไม่เคยสนใจแต่เราก็ทํำเราไปนั่งตอองเราไปเรื่อยแต่เราไม่สนใจฟังเราว่าไอ้จิ๊กซอวเนี่ยมันคือแผนที่ประเทศไทยเราก็จะทําอย่างที่เราเคยทําจับมาได้ก็ต่อต่อต่อจับมาได้ก็ต่อต่อต่ อ, ตอเขาบอกให้ตายว่าจิ๊กซอวเนี่ยเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยไม่ฟังเมื่อเราเข้าใจว่าจิ๊กซอว่ยมันทั้งระบบมันเป็นอย่างเนี้ยไอที่เขาสอนมาทั้งหมดเนี่ย เพื่อให้มันริดลอนเข้ามาถึงใจที่ไม่พุ่งแต่งหรือจะออกรู้แจ้งถึงใจที่ไม่พุ่งแต่งก็ได้มันรู้ซะแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เราก็รู้แล้วว่าวิสติปัญญาเป็นของเราแหละมาอัดด็บเอาเอามา ป, ปรับปรุงของเราอะ่ะเราจะคนทุกข์มันด้วยิธีใดอะ่ะในตัวของเราอะ่ะเราก็เข้าใจแหละเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงตาพูดอย่างนี้ก็ต้องเหมือนหลวงตาเป๊ะเนะาะใครพูดอย่างนี้ก็ต้องเหมือนกันไม่มีแล้วเราก็ต้องมา มาปรุงแต่งของเราคือมาให้มันรสชาติของเราเมื่อเราไปเรียนทำกับข้าวมาเนี่ยเราก็เรียนมาหลายกุ๊กเสร็จแล้วแต่มันไม่ถูกปากเราเนี่ยเราก็มาปรุงแต่งให้มันถูกปากเราก็ใช้ได้แล้วมันต้องฟังนะม่เห็นใดเรามันต้องฟังมาก่อนว่ามันอะไรคืออะไรอะ่ะมันทึองจะนั่นเหมือนกับคนที่มันดือ้อเนี้ย จะมาเรียนทำกับข้าวก ok ับเราจะมาเรียนทําก๋วยเตี๋ยวกับเราจะมาเรียนทำกับข้าวบอกว่าจะมาเรียนทํากับข้าวกับเราไม่ได้ข่าวว่าเราทำกับข้าวอร่อยแต่พอเราจะสอนนะมันก็ดื้่อยู่งั้นแหะใส่แต่ของตัวเองอ่ะจับอะไรได้ก็ใส่ใส่กระทะใส่กระทะแล้วก็ดื้่อย่างงี้แหะเวลาจะมาเรียนกับเราแต่เราสอนไม่ฟังแต่บอกว่าจะมาเรียนกับเราแต่เราสอนไม่ฟังดื้่อย่างเง้ยเหมือนกับว่าเอเขาบอกว่าจะต้มยำทําแกงไอ้นี่ใส่ไอ้นี่ก่อน ต้องรอในี่มันร้อนก่อนไอ้นี่มันสุกก่อนแล้วนี่ใส่เรียงลาดับที่หลังไอปลาเนี่ก็จะต้องไปล้างอย่างนี้ซะก่อนมันหายเหม็นขาวซะก่อนเอาไป ort, so ทอดซะก่อนหรือไปล้างอะไรซะก่อนไปล้างน้ํำส้มซะก่อนไปไปแช่เกลือหรืออะไรก่อนแล้วทําอะไรให้มันหายเหม็นคาวซะก่อนจะมาเรียนกับเราจะมันดื้อเอาใ่ของอย่างที่ตัวเองทํามาดื้อหรือไปอย่างเงี้ยดื้อทื่อไปอย่างเงี้ยแล้วเลยไปสอนไงลูกศิษย์อย่างเงี้ยคือจับใส่จับใส่ยันเลยแล้วก็บอกจะมาเรียนแต่มันก็ไม่เอาอย่างที่ ว่จาจ่าเขาสอนแต่บอกว่าจะมาเรียนแต่ทําอย่างที่ตัวเองทำแห่ะทําอย่างที่ตัวเองทําอยู่นั่นแหละทํากี่ปีกี่ปีก็ทําอย่างที่ตัวเองทำแหละมันต้องเรียนรู้จากเขาสะก่อนจนมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วก็ไปอัดปด็ของตัวเองมันถึงจะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกอันนี้มันไม่เรียนรู้จากเขาให้มันกระจ่างแจ้งแล้วจะทําแต่มันของตัวเองอะดูยดุยดุยยอย่างที่เคยทําเนี่ยมันไม่ไปยังไงเลยอย่างเงี้ยอ้าวตาค่ะเอิ๊ ตามความเข้าใจนะคะไม่ทราบถูกหรือเปล่าตอนนี้เข้าใจว่าถ้าเราจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยค่ะเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมารมของเราหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกทางอายตนะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเราก็ปล่อยวางสังขารปรุงแต่งตัวนั้นปล่อยวางไปปล่อยวางไปไม่คิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอย่างนั้นใช่ไหมคะหลวงตาเออแค่นั้นแหละ คือไม่ต้องไปหาใจที่ตัวที่เป็นตัวผู้รู้ผู้รู้รู้อยู่อย่างเดียวคือไม่ต้องไปดูตัวนั้นเลยคือเมื่ออะไรเข้ามาเรารลยรู้ว่ามันคือสังขารตรุงแต่งแล้วเราก็ปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปปล่อยวางไปเรยพอรู้ขึ้นมาเราก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงตาเนอยก็แค่นั้นแหละไปหาได้ไงเราใจมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเราจะไปหาไงใจมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยไม่ได้ว่าใจมีความรู้สึกว่างนะใจเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยที่ท่านกล่าวว่า เราไม่อาจเอาอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่อาจเอาวิญญาณขันเนี่ยไปรับรู้ผ่านอายทนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาใจเจอเพราะว่าตาเนี่ยมันเห็นแต่รูปคใจหูเนี่ยมันจะฟังแต่เสียงจมูกมันได้แต่กลิ่นลิ้นมารู้แต่รสแล้วกายมารู้แต่สิ่งที่มาสัมผัสกายผลตภะแล้วใจเนี่ย ประตูใจอ่ะมันรู้แต่ธรรมอารมณ์รู้แต่เวทนาสัญญาสัางขารมันรู้แต่อาการของขันอาคือเวทนาสัญญาสัางขารหรือเรียกว่าเจตสิกแต่ไอส่วนใจใจหรือจิตเดินแท้เนี่ยมันไม่อาจเอายาอายตนาภายนอกต้องอายตนาทั้งหกเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไปไปรู้ใจได้เพราะฉะนั้นเราไปหาใจไม่ได้แล้ววิธีปฏิบัติพุทธองค์เนี่ยท่านตัดไปแล้วว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพบใจได้ต้องปล่อยวางสังขารคือ ให้ที่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องไปปล่อยวางสังขารกายที่เราสรอนมาให้ใจไปสงบเสียก่อนผู้โตผู้โตผู้โตจนจิตมันรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวเสร็จแล้วใจมันก็สงบพอใจสงบแล้วก็น้อมมาพิจารณากายทําลายสังขารที่ร่างกายที่เรายึดถือเสีก่อนคือปล่อยวางสังขารกายเสร็จแล้วก็มาเห็นจิตเกิดดับเกิดดับในความว่างเปล่าปล่อยวางสังขารจิตคือเพื่อปล่อยวางสังขารกายสังขารจิตเสร็จก็จะพบใจ ที่ไม่ปรุงแต่งเองจากที่วางเปล่าที่ไม่อาจปรุงแต่งได้นี่คือวิธีที่พระเจ้าให้มาอีกวิธีหนึ่งบางคนก็ฉลาดคืออะไรก็ตามที่สังขารเน่ะปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยหมดเลยทุกขณะปัจจุบันจนถึงอาการของใจที่มันสังขารทั้งหมดปล่อยหมดปล่อยหมดเลยทุกกริยาการของสังขารจะปล่อยหมดจะไม่มีจนกระทั่งไม่ไม่จะถืออะไรสักอย่างเดี่ยทุกสังขารเมื่อปล่อยสังขารทั้งหมดเลยทุกขณะปัจจุบันไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวปล่อยวางหมด มันก็เลยพบใจที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้นะคะที่ที่ที่จะเรียนถามหลวงตาต่อคือเมื่อคืนเนี้ยเดินจงกลมเนี่ยก็พิจารณาแบบที่หลวงตาเอสอนครั้งแรกคือเหมือนลอกเปลือกจากข้างนอกไปพอทําไปสักพักเนี่ยมันมันรู้ขึ้นมาเองว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นสังขารปรุงแป่งมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปล่อยวางมันไปอันเนี้ยค่ะหลวงตามันมันเหมือนกพอมันเริ่มมาจากเปลือกข้างนอกอย่างที่หลวงตาว่าค่ะ แลอยู่ๆ อ, อันนี้มันก็มาวะเฮ้ยอันนี้ที่มันผ่านเข้ามาในความคิดในลมของมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันกระโดดไปตรงนั้นเองเลยค่ะหลวงตาอืแมแล้วพอรู้ตรงนั้นเห็นตรงนันแล้วก็แล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆว่าอ่ะเดี๋ยวอะไรเข้ามาอ้าวนี่มันก็ปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งตรงตรงไอ้ตรงที่ทําเปลือกมานี่ก็กเลยหยุดไปเลยมันก็จะเห็นอ่ะอันนี้ปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สอนตัวเองว่า แตารปรุงแต่งปวางไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่อย่างนั้นมันก็ง่ายดีแหละแล้วทุกเกิดารณ์อุตสาหะวางหรือเปลาแลทุกขณะอัจจุบัลลววนบนี้วางมันก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะว่าปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองกับเองภายในใจเรามันก็เลยกลายเป็นใจที่มัปรุงแต่งแต่ตอนอรแรกแมันยัก็ยังวางไม่ได้ค่ะคุณตามันก็ปรุงแต่งมันก็ยังไม่เห็ น, นะคะ่ะ พอทําเปลือกมาได้สักครึ่งทางมันก็ยังลอกเปลือกไม่หมดนะคะหลวงตาแต่พอทําได้สักพักหนึ่งมันก็ไปเห็นเป็นเอานี่มันปรุงแต่งนี่นามันจะสังขานปรุงแต่งนี่นามันก็เหมือนกับมาระหว่างทางให้เข้ามาเห็นนะคะหลวงตาให้ให้ให้มันปัญญามาเกิดว่าไอ้นี่มันปรุงแต่งปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปอะค่ะไอตรงนั้นไม่สําคัญหรอกมันเป็นอดีตผ่านมาแล้วไอที่เรารู้สัมผัสได้เมื่อคืนเนี่ย แต่มาถึงือนทุกนาปัจจุบันนี mm ้ hmm. ี hmm. ่เพราะว่าธรรมะมันช Is ี่ลงที่ปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยมันเราปล่อยให้อาการนองนจิตมันเกิดเองกับเองหรือเปล่าะทุกนาปัจจุบันนี้เราปล่อยอาการนั้นจิตเป็นเกิดเองกับเองหรือเปล่าอะไรที่มันได้รู้เห็นเราเห็นมาแล้วน่ยอันนั้นอดีตเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วอดีตเป็นทำเมานาคดเป็นทำเมามีแต่ละอาการนั้จิตปัจจุบันเท่านั้นเนี่ยทุกนาปัจจุบันที่จะเป็นธรรมะธรโมธรรมธรโมมีแค่นี้ อะไรก็ตามที่มีอาการเกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรก็ตามที่มารู้เราเห็นแล้วมันถูกปล่อยวางไปแต่อดีตแล้วไอ้สภาวะที่เรารู้มันเป็นอดีตไปแล้วมันเลืแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ปล่อยวางคือคำว่าปล่อยวางหมาถึงว่าเราไม่ได้ไปนั่งไล่ไล่ป่อยวางหรอกคือมันไม่มีใครไปยุ่งกับตงังคขามที่เกิดดับในใจเราเลยตังขามเมื่อเกิดดับในใจเราเนี่ยมันไม่มีใครไปยุ่งกับตังขามที่เกิดดับใน ใ, นใจเรา มันก็เหมือนเสียงนกร้องนองเนี่ยเนี่ยเสียงนกมันล้องนองเนี่ยมันก็มันก็ส mm ังขารในใจเราก็ปล่อยนกมันล้องล้องขึ้นมาเองแล้วมันดับมันไปเองเกิดดับเกิดดับก็อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนกมาล้องเนี่ยเราก็ไม่ไปยุ่งประมาันแต่รู้อยู่แต่ไม่ไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่ไปไล่จับปล่อยจับปล่อยไม่ไปไล่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปไล่รู้เท่าทันเสียงนกนะเราไม่ไปไล่จับปล่อยจับปล่อย แต่เราก็ได้ยินเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกเนี่ยว่ามันร้องของมันเองแล้วมันก็ดับเองแล้วก็ร้องขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดับเองร้องเองแล้วก็ดับเองเนี่ยแล้วเราก็มาเทียบกับอาการท้องใจเราอ like, าการท้องใจก็แบบเดียวกับที่เราไปรู้เสียงนกร้องอ่ะคือเราไม่ไม่ได้ว่าไปไล่รู้อาการท้องใจไม่เข้าไปยามไปเพ่งไม่ใช่ว่าไปตั้งรู้ตั้งดูอาการท้องใจเราก็รู้อาการท้งใจเหมือนรู้เสียงเสียงนกร้องเนี่ย โป๊โป๊โปโป๊โปก่โป๊โปะอะไรเป็นี้องเนี่ยเสียงนกมันร้องอยู่ข้างนองเนี่ยในธรรมชาติเสียงนกร้องให้เต็มไปหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าต้องไปตั้งรู้เพ่งรู้จ้องรู้พยายามรู้เสียงนกร้องแต่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดมามันต้องรับรู้อยู่แล้วมันเป็นการรับรู้โดยธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับที่เกิดมามันมีธรรมชาติที่รู้ติดตัวมา อล้เนี่ยเราไม่ต้องไปจังตั้งรู้จ้องรู้เพ่งรู้เนี่ยเราก็ดินเสียงลกร้องเนี่ยเสียงสรรวสัตว์ร้องข้างนองเนี่ยเด็กก็ร้องเองร้องขึ้นมาเองวันเองแล้วก็ดับไปเองร้องขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเราไม่หนึ่งเราสังเกตดีว่าเราไม่ได้พยายามไปตั้งรู้พยายามไปเพ่งรู้พยายามไปจงใจรู้พยายามไปเจตนารู้สองนกเน่ะเสียงนกมันร้องขึ้นมาเองดับไปเองสารพัดนกเนี่ย มันร้องขึ้นมาเองดับไปเองร้องขึ้นมาเองดับไปเองร้องขึ้นมาเองดับไปเอ ง, อ ง, เ, อ ง, เ, องเราไม่ต้องไปไล่จับไล่รู้เสียงนกร้องแล้วไล่ดับไล่รู้เสียงนกร้องแล้วไล่ดับในอาการของใจก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปตั้งดูตั้งรู้อาการของใจอาการของใจมันก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วดับไปเองเกิด ข, ขึ้นมาเองดับไปเองเราก็จะมันเราความรู้เนี่ยมันติดตัวเรามาติดจิตมัแต่เกิดมันก็จะรู้เองว่าเนี่ย อาการห้องใจมันเกิดขึ้นมาเองแลดับไปเองเกิดขึ้นมาเองแลดับไปเองเหมือนกับเสียงนกร้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปไล่ไล่ดูไล่รู้เสียงนกร้องไล่ดับเสียงนกร้องอาการห้งใจเราก็ไม่ต้องไปไล่ดูไล่รู้ไล่ดับไล่จับไล่ปล่อยอาการห้องใจปล่อยให้เสียงนกร้องเนี่ยมันเกิดเองดับเองนกเกิดเองดับเองอาการห้องใจก็ปล่อยมันเกิดเองดับเองถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งคืออาการห้องใจเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเอง ส่วนใจเนี่ยที่ไปรู้อาการห้องใจเกิดดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่เกิดดับแต่อาการห้องใจมันเกิดดับแต่ที่ไปรู้อาการห้องใจเนี่ยไอ้ถนัไม่เกิดไม่ดับแต่อาการห้องใจมันเกิดดับเหมือนกับว่าไอ้ที่ไปรู้นกร้องเสียงนกร้องมันเกิดดับแต่ไอ้ผู้ไปไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับแต่เสียงนกร้องมันเกิดเกิดดับดับแต่ไอ้ผู้ไปไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับอาการห้องใจเนี่ย มันเกิดดับเกิดดับมันเสียงนกร้องเนี่ยเกิดเองดับเองแต่ไอ้ผู้ไปรู้เสียงนกร้องมันไม่เกิดไม่ดับเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเวลาไปได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยมันไม่เคยย้อนกลับมาหาว่าตัวเราเป็นคนรู้มันไม่เคยมาคิดซ้อนซ้อนปรุงแต่ชั้นหนึ่งว่าเราได้ยินเราก็ได้ยินไปเลยเราไม่เคยต้องย้อนกลับมาว่าบอกก็ว่าเรานอะเป็นคนได้ยินเสียงนกร้องเรานั้นเ็นคนได้ยินเสียงนกร้อง แต่เราก็ได้ยินเสียงนกร้องโดยไม่ปรากฏตัวเราได้ท e um you know ี่ได้ยินเสียงนกร้องอาการหัวใจเนี่ยเราก็มาเทียบกับอาการหองใจอ่ะเวลาเรารู้อาการหังใจเกิดดับเนี่ยเราก็รู้อาการใจเกิดดับโดยที่ไม่ได้ไม่ย้อนกลับมาว่ามีตัวเรานะเป็นคนรู้อาการหัวใจเกิดดับแต่ถ้าไอ้ที่เราไปเคยสอนเนี่มันบอกว่าดูก็ไม่เป็นก็คือว่ามันรู้แต่ใจที่โป่งโล่งสบายกับใจไม่โปร่งโล่งสบายแช่มาเลยต้องย้อนมาหาว่าผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ย้อก็หาผู้รู้ จึงเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดไอ้ผู้รู้ที่มันคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยก็มันก็เป็นเหมือนเสียงนกร้องแต่ไอ้ผู้รู้ว่าตัวเราในคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดเนี่ยมันไม่ปรากฏตัวเรามันก็เลยอาการที่ตัวเราคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดมันก็เลยเป็นเสียงนกร้องเกิดเองกับเองแต่วิธีง่ายๆถ้าเราเนี่ยเทียบเอาอาการห้องใจมาเทียบกับธรรมชาติเราก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งง่ายๆเลย ที่เหมือนกับอัยสาวกพระอรหันองหนึ่งสมบูตธการไปยืนรอจะถามพุทธเจ้ารอฝนตกเสร็จแล้วก็จะถฝนหยุดตกแล้วจะขึ้นไปถามธรรมะบุทธเจ้าน้ําฝนจากชายคาของพุทธเจ้าก็ไหลมาโดนพื้นน้ําา้งล่างกระทบก็เกิดต่ำน้ําแตกปะปะปะปะโปะปะโปะปะโปะปะปะปะเต็ไปหมดเลยท่านมาเทียบกับอาการของใจตกตะลึงเลยว่าอันก็เหมือนกันเลย ต่อน้ำก็เกิดขึ้นเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยอาการห้งใจก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นแหละพอท่านสิ้นยึดอาการห้งใจกับรูนิพพานไปเลยพอผลหยุดตกกับรูนิพพานไปเลยบางทีเห็นอาการห้งใจเกิดดับมันแสงเงิยค่อยบางทีเห็นนอาการห้องใจมันเกิดดับเหมือนกับฟ้าแลบิดท้องฟ้ามันก็เห็นว่ามันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองโดยที่ไม่มีใครไป ไปทำเกิดดับแล้วก็ไม่มีใครต้องไปไล่ไล่ดับไล่รู้ได้เกิดไล่ดับผมปล่อยให้ทุกอย่างในใจมันเกิดเองดับเองแต่ใจที่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดดับในใจส่วนใจนั้นไม่เกิดไม่ดับแต่อาการของใจเกิดเองดับเองอยู่ในใจนั่นแหละแต่ใจมันไม่เกิดดับเลยใจเปียบเหมือนท้องฟ้าอาการของใจเปียบเหมือน เหมือนฟ้าแลบใจเปียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าไม่ปรากฏอะไรเลยส่วนอาการของใจเหมือนฟ้าแลบเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับอาการของใจเปียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าจะรุนแรงพันใดก็ตามไม่เคยทำลายท้องฟ้าที่ว่างเปล่าได้เลยอาการของใจทุกชนิด่ว่าจะดี เพือทุกทุกบุญบาปกุศลอกุตลนะไม่อาจทำลายใจที่ว่างเปล่าได้